เพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่4ขณะจิตที่บรรลุมรรคผลตามหลักที่ว่าในขณะที่บรรลุอริยมรรคแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ชาญมาก่อนจิตก็จะเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาคือถึงระดับชาญในเรื่องนี้สำหรับผู้มีพื้นความรู้ด้านอภิธรรม ดึงดูลำดับกระบวนการทำงานของจิตในตอนบรรลุมรรคผลคือดูอปปนาจวนวาระแห่งมรรคขวิถีของพระวิปัสสนาญาณิกตามนัยยะที่ท่านแสดงไว้ในปรมัตถทีปนีเป็นต้นดังที่ถอดความออกเป็นแผนผังได้ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่9้าทับหนึ่งประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้ลำดับกระบวนการทำงานของจิต ในตอนมรลุมรรคผลของพระวิปัสสนาญาณิกเป็นดังนี้จิตเจริญวิปัสสนาขึ้นวิปัสสนาวิถีจนถึงสังขารูบเบกขาญาณซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณข้อที่แปแล้วจิตก็ตกผวังแล้วขึ้นสู่มรรควิถีถึงตรงนี้มีแยกเป็นสองแบบมรรควิถีแบบแรกเมื่อมีการคำนึงอารมณ์ใหม่ทางมโนทวารที่เรียกเป็นศัพท์ว่า มโนวทวาราวัชนะแล้วก็มีชวณจิตเกิดขึ้นเจขณะเป็นบริกรรมภาวนาหนึ่งขณะอุปจารสมาธิหนึ่งขณะแล้วเกิดสัจจานุโลมิกานหรืออนุโลมยานยานอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การอย่างรู้อริยสัจหนึ่งขณะแล้วเป็นโคตรภูยานความอย่างรู้ที่เป็นหัวต่อแห่งการข้ามพ้นจากภาวะปุถุชนสู่ภาวะอริยบุคคลหนึ่งขณะ ตั้งแต่บริกรรมถึงโคตรภูยานี้เป็นกามาวจรัชวนะจากนั้นก็เข้าสู่มรรคจิตหนึ่งขณะและเข้าผลจิตสองขณะแล้วจิตก็ตกภวังช่วงมรรคจิตถึงผลจิตนี้เป็นโลกุตระอ ป, ปนาชาวนะนี่เป็นแบบแรกมรรควิถีอีกแบบหนึ่งขึ้นมรรควิถีมีการคำนึงอารมณ์ใหม่ทางมโนทวารแล้ว ก็มีชวนาจิตเกิดขึ้นเจขณะเช่นกันแต่แบบนี้ขณะจิตแรกข้ามบริกรรมภาวนาไปเข้าอุปจาระสมาธิเลยแล้วเกิดสัจจานุโลมิกยายนหนึ่งขณะแล้วเป็นโคตรโภยานหนึ่งขณะจากนั้นก็เข้าสู่มรคจิตหนึ่งขณะและเข้าผลจิตสขณะแล้วจิตก็ตกภวังส่วนลำดับจิตของสมถย า, านิกอาจแสดงคร่าวๆได้ดังนี้หมายเหตุ ปรุณาดูแผนภูมิที่9ก้าทับประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้ลำดับกระบวนการทํางานของจิตในตอนมรรลุมรรคผลของพระสมถีญานิกเป็นดังนี้จิตออกจากผวังขึ้นสู่ชาณวิถีแล้วตกภวังแล้วขึ้นวิปัสนาวิถีแล้วตกภวังแล้วขึ้นมรรควิถีแล้วตกภวังตอนมรรควิถีมีกระบวนการเหมือนพระวิปัสนาญาณิก ตามแผนภูมิที่9้าทับหนึ่งจึงไม่แสดงรายละเอียดในแผนภูมินี้วิปัสนาวิธีนี้เป็นการแสดงแบบคลุมคลุมความจริงมีการตกภาวางได้แล้วแล้วล่าเล่าในระหว่างหลักการที่ว่าจิตที่บรรลุมรรคผลต้องเป็นอัปปนาสมาธินี้เมื่อมองอย่างกว้างๆทำให้เกิดความคิดว่าความรู้ความเข้าใจหรือความอย่างรู้อย่างเห็นที่จะแจม่มแจ้งชัดเจนและและ่ละนลึก ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงพื้นจิตของคนได้กำจัดกิเลสเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพได้นั้นจะต้องเป็นประสบการณ์ภายในชนิดเต็มทั่วหมดทั้งจิตทั้งใจหรือโพร่งทั้งชีวิตทีเดียว